บทที14่148่งร้ยไซมองตามร่างนั้นไปอย่างสงบจนกระทั่งกลืนหายไปในเงาหมอกนอกปาก่ํำโดยไม่ได้ขยับเขยื่อนไปจากที่เดิมมาริาหายไปอีกอึดใจเต็มๆ เ, เจ้าองค์ละครพิเศษของดารินก็ยังคงสนิทนิ่งเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่เช่นนั้นบัตรนั้นเองเงาของใครคนหนึ่งในกลุ่มที่นอนเรียงรายกันอยู่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 ไปนั้นไว้ได้อย่างทันกันพรานใหญ่หันไปคว้าไรเฟินแล้วสาวเท้าตามออกไปที่นั่นมาเรียฮอฟมั่นยืนกอดอกอัดควันซิ ก, ก้าอยู่ริมก้อนหินใหญ่พอสำเนีจอเสียงฝีเท้าแผ่วเบามาหยุดอยู่เบื้องหลังก็ชะม้ายหันตากลับมาหล่นตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นรพินไพรวันหันกลับมาเผชิญหน้าทันทีไรวันผิดข้าใช่ไหมเม สำหรับการอ่อยเหยื่อรายนี้หมายความว่าไงแม่สาวเลือดร้อนร้องออกมาเบาๆคงนึกสินะว่าแง่ายจะตามออกมาแล่ามันไม่ตามออกมาให้โง่หรอกขนาดผมชายมันยังไม่ยอมลุกเลยมาเรียถอนใจเบาๆประสานแขนทั้งสองกอดอกย่อนตะโภกพิงพักบนโขดหินเตี่ยอันเย็นเฉียบด้วยละอองหมอก มองดูเขาอย่างพินิดนิ่งไปชั่วขณะถ้างั้นก็แปลว่าวจริงตามที่แง่ทรายบอกฉันแต่ฉันก็อยากจะลองดูเหมือนกันก็เห็นจะต้องเป็นฝ่ายถามมังละ ว, ว่าหมายความว่าไงเมแม่สาวค อ, อไหลนิดหนึ่งยกก้นซิก้าที่ถือคีบอยู่ในนิ้วขึ้นดูดลึกแล้วเป่าออกใส่อกเขาก็แง่ทรายนะ่ะเขาบอกฉันว่าไม่มีอะไรในเขตแคมป์ของเรานี่ จะรอดพ้นไปจากสายตาการรู้เห็นของคุณได้เลยถ้าคุณอยู่ในลักษณะปกติสภาพงั้นเลยก็ถ้าคุณอยากจะทำอะไรที่พ้นจากการรู้เห็นของผมบ้างไหมล่ะไครวันมาเรียนเน้นเสียงเรียกเขาหนักแน่นชัดเจนขอโทษเนะถ้าจะพูดว่าคุณเสือกตามฉันออกมาทำไม ไม่ต้องขอโทษก็ได้เมยและผมก็ไปโกรธคุณหรอกที่ใช้คำพูดแรงๆอย่างนี้แต่คุณก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าผมมีหน้าที่รับผิดชอบต่อทุกชีวิตของพวกเราทุกคนคุณอยากจะให้ไอ้แงซ า, ายมันตามคุณออกมาแต่อันนั้นมันก็ไม่สนใจในการให้ท่าของคุณซะด้วยดิไม่น้ำซ้ำยังปล่อยคุณออกมาตามลำพังมันก็เลยต้องเดือดร้อนถึงผมอยู่วันยังค่ําล่ะฉันอยากจะรู้นะัก ว่ามีใครต้องลำบากเดือดร้อนไม่ทราบในการที่ฉันเดินออกมาตากลมที่นี่นี่เมถ้าคุณบอกผมจะตามตรงว่าถ้าผิดหวังจากแง่ายคุณอยากจะสมาคมกระลิงตัวผู้ของที่นี่ให้มันสะใจโดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิน้นผมก็จะกลับเข้าไปเดี๋ยวนี้ล่ะมาเรียถอดถุงมือนหนังออกอย่างบรรจงแช่มช้า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 หล่นหันมาสบตาน้ำตาคลอพร้อมกันยิ้มให้ก็น่าอยู่หรอกนะที่น้อยจะยอมมอบดวงใจของเขาทั้งหมดให้แกคุณคุณเป็นคนดีจริงๆไพวันฉันอิจฉาน้อยหรือเกินหนีเมอย่าพูดอะไรให้ผมเศร้าไปกว่านี้ดีกว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกนี้หรอกที่จะมามอบดวงใจให้แกผมหมดอย่างที่คุณพูด แม้แต่ตัวคุณเองผมรู้ตัวดีว่าผมคือใครแล้วก็อยู่ในฐานะไหนทำไมคุณไม่ปลุกชัยยันบอกให้เขาตามฉันออกมาในเมื่อคุณก็เห็นแล้วว่าแง่ท า, ายเมินเฉยต่อฉันเมื่อคนลำบากเป็นพาราเซเองเลยนะครับผมก็เชื่อว่าคุณชัยยันคงยินดีและเต็มใจที่สุดถ้าหากคุณอยากจะหาเพื่อนแก้เหงา ยามที่คุณนอนไม่หลับนี่สักคนหนึ่งแต่ผมไม่อยากจะปลุกเขาคขาควรจะได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนการเดินทางหนักพรุ่งนี้นะครับแล้วที่อุตสาหลงทุนออกมาตามฉันนี่นะคุณไม่ได้กลัวน้อยจะตื่นขึ้นมาเห็นและเข้าใจผิดตรอเหรอผมถือความบริสุทธิ์ใจและหน้าที่เป็นที่ตั้งนะถึงคุณหญิงก็เหมือนกันถ้าเธอรู้ว่าคุณเกิด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 ทำให้หัวใจอันเล่าร้อนกระวนกระวายใจยังหายเหตุผลไม่ได้ของหล่อนเศราสงบลงมีความรู้สึกอยากจะโผเข้าไปซบอยู่กับอกและจูบเขาถ้าไม่ห่วงว่าตนเองจะเป็นผู้ทำให้ชายผู้นี้มีมนต์ิมมาเรียสัญญาไว้กับตนเองแล้วว่าหล่อนจะไม่สร้างความเดือดร้อนทุกข์ใจใดๆให้แก่เขาในด้านนี้อีกต่อไปเอาละ่ะฉันจะไม่เปิดโอกาสให้เงซ า, ายแกล้งคุณได้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 มาเรียปฏิบัติตนเป็นคนว่าง่ายขึ้นบอกกู๊ดไนท์กับเขาแล้วก็เข้าไปประจําที่นอนอย่างสงบโดยไม่ลุกขึ้นมาจุ่นจ้านอะไรอีกเลยมันเป็นเช้าของวันที่บรรยากาศเช่มชื่นแจม่มใสเป็นพิเศษในความรู้สึกของทุกคนเมื่อตื่นขึ้นมาพร้อมหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่วายาได้รับปากไวเมื่อคืนพลิงทั้งหลายจัดเตรียมสเสบียงกลางของคณะเดินทางไวให้เรียบร้อยแล้ว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 หัวหน้าผู้นำทางเท่านั้นแต่นั่นก็เป็นบุคลิกโดยปกติของเขาอยู่แล้วยามเมื่อเวลางานมาถึงดารินกชัยยันเดินตามเข้ามาหยุดอยู่ใกล้ๆระหว่างที่พรานใหญ่กำลังผูกโน่นมัดนี่อยู่ยางคล่องแคล่วรวดเร็วช่วยกันอยู่สองคนกับบุญคำเอาแน่นะระพินสำหรับวันนี้อดีตนายทหารปืนใหญ่เอ่ยักเป็นประโยคแรกยิ้มยิ้มพรานใหญ่เงยขึ้นยิ้มตอบ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 ก็ทาไมเห็นผลประโยชน์ในด้านนี้แล้วก็ไล่กลับไปซ ะ, ะตั้งแต่อยู่น้องน้ำแห้งแล้วกล่าวพลางชัยยันก็เหยียดแขนบิดขี้เกียจพร้อมก็อ้าปากหาวยาวพูดต่อมาทั้งหาววอดว่าแต่แหมเมื่อคืนหลับสบายเป็นตายเลยระพินซ่อนยิม้มนึกตอบชัยยันอยู่ในใจว่าก็จะไม่หลับเป็นตายได้ยังไง ตัวเบาไปตั้งแต่ตอนบ่ายเมื่อวานนี่แล้วแต่บุญคำซึ่งทำงานอยู่ใกล้ๆสิหัวรอกิ๊กๆ ๆ, ๆชชยันเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าหล้วมตัวพูดอะไรออกไปให้บุญคำพลอยได้ยินเพราะตาเท่าจอมส ป, ปดีร่วมรู้เห็นอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยก็เลยกระดักหันไปชำเลืองคอนแล้วรีบเดินผลาไปซะก่อนที่ดารินจะจับพิรุธอะไรได้แต่ถึงเช่นนั้นหลอนก็หันไปจ้องตาเท่าจอมแก่นถามว่า คำอะไรบุญคำเปล่ารองนายหญิงเปล่าอะไรกันเห็นหัวรอกคิกๆอยู่เมื่อกี้ราพินหันไปถลึงตากับบุญคำและแก้แทนมาให้เมื่อกี้นี่นะ่บุญคำแอบสูบกัญชาของส่างปลาเข้าไปไหลายบ้องครับคนเมากัญชาก็อย่างเงี้ยคุณหญิงเห็นใบไม้ถูกลมพัดไหวยังนั่งหัวรอกได้เลย ก็ไอเชือกที่บุญคำจับมัดของอยู่นี่มันคอยดิ้นหนีหลุดมือบุญคาอยู่เรื่อยอะไม่เดี๋ยวมันก็เลื้อยไปเลื้อยมาเหมือนงูแล้วจะไม่ให้บุญคำขำได้ยังไงล่ะนายหญิงสมุนเท่าจอมแก่นของเขาพลอยผสมโรงกรบเกลื่อนแล้วก็ถอนใจออกมาได้โล่งอกเมื่อนายหญิงไม่ติดใจสงสัยอะไรอีกพูดอะไรกระพินอีกสองสามประโยคแล้วเดินตรงเข้าไปเยี่ยมวายาตรงแท่น ซึ่งขณะนี้เจตฐาและชยยันกำลังอยู่ที่นั่นประเดียวสั์เปรี่ยงเลยระพิน์พูดลอดไรฟันออกมาเมื่อดารินคล้อยหลังบุญคำกลู่วหัวเราะจนทองคลอดโธมันขำจริงๆนี่นายก็พูดออกได้าหลับเป็นตายก็ทำไมจะไม่หลับเป็นตายห่ะกก็เล่นน้ำกันอยู่ในท่า น, นั้นตั้งเกือบสองชั่วโมงเต็มๆอ๊ยแทบจะไม่ได้หยุดพักกันเลย ก็ น, น่าเห็นใจนานๆถึงจะมีโอกาสสักครั้งบุญคำว่าถึงวันนี้นายทหารก็คงขาอ่อนไปเยะก็ไม่มีแรงเดินหรอกนี่หยุดสอดรู้สอดเห็นในเรื่องพันงี้แล้วก็หยุดมารายงานต่อฟังทีได้ไหมบุญคำฮ ห, หยุดรายงานนายน่ะได้ถ้านายไม่อยากฟังแต่ถ้าจะให้หยุดดูต้องฝักลูกตาบุญคำออกสะ ก, ก่อน จำไว้นะบุญคำถ้าถูกนายทหารกระทือหรือถูกแมมยิงตาแตกเมื่อไรละ่ะฉันจะไม่พูดโท้เลยแกแล้วนะอยู่ให้สมแก่หน่อยที่โอนายตัวน่ะมันแกแต่ใจมันหนุ่มนะโนายก็บุญคำกระซิบอ่อยๆแล้วอยู่ๆก็ทําตัวสั่นสยิวขึ้นมาเฉยๆพร้อมกับครางอุ้ยละพินหมันไสเป็นประดา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 หันมาเห็นแง่าสายก็เลยสบัดมือทุยไอแง่สายอ้าวลุงก็เห็นหนังครางหงิงอยู่ก็เลยมาช่วยยกให้ข่านะ่ะอิจฉาเองวาไอแง่สายยืมคุณของเองไม่ข่าหน่อยไม่ได้ไงทำไมได้คุณของแง่าสายแล้วลุงจะทำไมจะไล่ท้องพานใหญ่มัง่งไงร้าว ข้าจะไล่ท้องแมมมาเรียให้สาใจใชัวแงสายหัวรอฮือือก็คงไม่ง่ายนักรอกลุงคำถ้าแมมไม่ยอมให้ถ้องสัอย่างอะเออลองข้ารูปหล่อมันเองสิดูสิว่าแมมจะยอมให้ถองมหพูดแล้วเจ็บใจวะ่ะเมื่อคืนนี้เสือกนั่งมันสักกระเบือดินหยุดได้แมมให้ท่าถึงขนาดนั้นลนะ เรื่องอื่นนะค้าเห็นเองฉลาดด้วยสารพัดเรื่องนี้นะเอง น, นโง่หมาไม่แดกเลยวะไอ้งแงาทายเป็นข้าก็เรียบร้อยไปแล้วงแงาทายโครงศีรษะช้าๆพร้อมกับชุกปากอ้าวนี่ลุงไม่ได้หลับลรกแ้วตอนนั้นน่ะข้านะี่ยมันหลับหลับตื่น ต, นตืนวะแต่ข้าก็เห็นเองนะ่ะไม่มีน้ำยาเลยไม่รู้สักนิดว่าแม่ให้ท่า อุตสาเดินปลีตัวรับตาออกไปให้แล้วไม่อยากจะตามดันนั่งเบื่ออยู่ได้คิดลมันเคี่ยวแทนวะอีกฝ่ายหนึ่งเบิกตาโตซ่อนยิ้มนี่ลุงฉันเป็นบาวเป็นคนใช้นายแห ม, ม่มนะเขาเป็นนายแล้วนายที่ไหนก็จะไม่ท่าคนใช้ลุงแล้วก็คิดอะไรอากุศลไม่เป็นเรื่องบุญคาำแยกเคี่ยว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 เอะแต่ถึงยังไงข่าก็ว่าเอ็นคนดีว่ะน่านับถือถ้าเองเสืกสั ป, ปดนินเหมือนข่าเมื่อไรแล้วก็กลับฝังเองเลยฮเรียกว่าต้องปล่อยให้ลุงสับ ป, ปดนปินเปคนเดียวอย่างนั้นดิเออข่านี่ยมันแก่แล้วถึงข่าจะสับ ป, ปดนินเพียงไหนข่าก็ทําอะไรใครก็ไม่ได้หรอกวะแต่ถ้าเองสับ ป, ปดนินเหมือนข่าเมื่อไรเขาว่ายุ่งว่ะเก็บผลาไปอย่างผลุนพลัน แล้วก็ชะงักหันมาชี้หน้าแผ่วเสียงลงว่านี่ผมเลยหยิบทิงซะนะแง่สายแง่สายหัวเราะขยิบตาให้พลางเดินแยกไปทํางานเชะอีกทางหนึ่งบุญคําผีแผล่ผลที่จะหันหลังไปโดยเร็วผมหมุนตัวจากแง่สายอีกครั้งตาเท่าก็ชนใครเขา้าอีกคนหนึ่งอย่างจังเบอรเรอจนถึงขั้นพังอะกระดอนถอยหลังออกไปสองสามเก้า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 ดันอยู่ใต้เสือ้อเริมฝีปากนั้นมีรอยยิ้มดูดูนินทาอะไรฉันอยู่กันแง่ใจอีก่ะแต่เท่าโสโครโธแมมก็บุญคำร้องจุปากลั่นทำหน้ามุย่ยเอาอะไรที่ไหนมาพูดค อ, อยหาเรื่องไอ้คำรื่อยเชียวเห็นพูดอะไรก็ใครเป็นไม่ได้หาว่านินทาทุกทีสินะ่ะ นี่ฉันยืนอยู่ห่างข้างหลังบุญคําไม่เกินสามวานี่เองแต่บุญคําน่ะไม่ทันหันมาเห็นหรอกได้ยินว่วแวเอ่ยชื่อฉันนะฮแหมหูหาเรื่องไปเองไอ้คากระเงี้ยายไม่ได้เอ่ยอะไรถึงแม่มได้สักคําเดียวไม่เชื่อไปถามมาดูก็ได้แต่ไมเช้าวันนี้ในแม่มของบุญคําสดชื่นลึกเกินสวยกว่าทุกวันนั่นไปเอาช่อเอืองจากไหนมาติดผม มารียอหัวเราะเบาๆออกมาได้พระลูกไม้กระล่อนครอบไปทั้งตัวของตาเท่าซึ่งหาทางเปลี่ยนเรื่องซะแล้วยกมือขึ้นแตะช่อเอื้องงามที่ติดผมอยู่ตาสีดอกผักตกเป็นประกายสุขใสนีลาสิเขาไปเก็บมาให้ชัดน้ำเสียงนั้นชื่นชมยินดีก็น่าแปลกดีเหมือนกันตั้งแต่ร่วมทางกันมานี่ฉันไม่เคยได้รับช่อดอกไม้จากใครเลย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 ตอนที่นายแหม่มกับนายทหารต้องเดินทงทงกลับที่พักแล้วยิงแล้วหนักครับอีกถ้านายทหารไปยิงไอ้นีลาเขาบุญคำได้โอกาสก็เลยทวงบุญคุณเอาดืด้อนี่ก็แปลว่าฉันต้องขอบใจบุญคำที่ไปแอบดูฉันอาบน้าที่ลำธารตลอดจนกระทั่งช่วยปิงขึ้นแปลวเสื้อลงมาให้อย่างนั้นดิมาเรียประชดคนใจดาเท่านั้นแหละที่ไม่รู้จักขอบใจกัน บุญคำไม่ได้ไปแอบดูนะดูทำไมให้เห็นที่จันไม่อยากดูลแต่บุญคำไปเฝ้ายามคอยระวังภัยให้ทหากกี่ครั้งมาบ้างละถ้าไคำไม่ได้อยู่ในรัศมีที่ช่วยเหลือทันฮะป่านนี้นายแม่มเป็นตัวตนเหรอคนแก้ผ้าอาบนา้าวางปืนไว้บนบุกไม่เคยช่วยตัวเองได้หรอกถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างกระทันหันนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ก็ไม่เพราะล่แก้ผ้าเล่นน้ําสนุกอยู่ในป่าอย่างงั้นเหรอนายแมมถึงได้เสียนายห้างคราวเหลืองไปเพราะไอ้พวกสังเขียวนายแมมเองก็ถูกมันลากกระตูไปจนฟานใหญ่กับพวกเจ้านายทั้งหลายรวมทั้งไอ้คาด้วยต้องเสี่ยงตายจนย่ําแย่กว่าเจ้าตัวคืนมาได้แมมสาวพยักหน้าเนิบเนบเนบก่งมากนะัตตเท่าเข้าใจพูดเอาอย่างนี้แล้วกัน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 เพราะฝ่ายที่ถูกแอบดูนะเขาเชื้อเชิญในะเข้ามาใกล้ๆอยู่แล้วดีไหมบุญคำนิ่งคิดแล้วยิ้มแย่พูดอ้อมแอบลิ้นรับปากไม่ดีหรอกอ้าวทำไมละ่ะก็ประเดี๋ยวนายทหารชัยยันทีบบุญคำมามแตกไงแล้วแกก็เดินหนีไปซึ่งซนะึ่งน่ะครูใหญ่ต่อมาสัมภาระทั้งหมดรวมทั้งสเสบียง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 พวกเราทั้งหมดจะขึ้นไปกราบลาฤาษีโกนทัญญาก่อนและจะย้อนมาลาเจ้าที่นี่อีกครั้งหนึ่งสัมภาระเข้าของของเราวางอยู่ตรงหน้าปากถ้ำเจ้านี้เองนะเช่นนั้นก็จงไปเทิดแต่อย่าลืมกลับมาให้วายาได้เห็นท่านทั้งหลายอีกครั้งก่อนเดินทางนะท่านหัวหน้าคณะหันมาพยักหน้าเป็นสัญญาณกับพรานใหญ่ แล้วทั้งหมดก็พากันเดินออกมาจากถ้ำพักของเจ้าเมืองขิดขินซึ่งกลุ่มพลานพื้นเมืองทั้งหลายประชุมรอคอยพร้อมอยู่แล้วมีเจ้านีลายืนใสยอาจอาจเหมือนจะคอยร่วมทางนำขบวนเช่นเคยพอเห็นนีลาชา ย, ยันก็หน้างอเป็นเจวักชำเลืองคอนแล้วทำปากหมุบหนีบด่าแม่เจ้าขุนทหารเมืองขีดขินจอมทะลึงซึ่งก็อาจจะพอพอขบุนคาเว้นแต่มันพูด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 เชยันหันไปกระซิบกระ บ, บุญคําแต่ถ้าหัวรอกักกระซิบตอบนายทหารยิงไอ้ไนนีลาเมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องไปถึงเนินประจันนั่นแหละมีหวังแหลกกันทั้งหมดอยู่ที่ภูเขานิลการ์นี่แหละบุญคําว่านายทหารไปมันเองดีกว่าเอาให้พลากใหญ่ทีเดียวตอนก่อนจากแล้วบุญคําจะช่วยไต่ซ้ำอีกแต่าแตนายทหารต้องไต่ก่อนนะ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 มันล่วงหน้าไปก่อนอย่างเจ้าของถิ่นต่างเดินผ่านไปตามสองฝั่งทางที่กลุ่นไปด้วยกลิ่นของดอกไม้ป่าและอากาศสดยามแรกอรุณโกนธัญญะมุนีคงสถิตอยู่เหนือแท่นหินที่เดิมกับที่ทุกคนได้มาเห็นในครั้งแรกประดุจภาพแกะสลักเช่นนั้นราวกับเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งนิรันดร์การที่แฝงไว้ด้วยความน่าพิศวงไม่สัง่ง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 ทั้งสิบสองชีวิตของคณะเดินทางมหาวิบากเคลื่อนเข้าไปจนเกือบจะประชิดแท่นหินและสุดตัวลงนั่งเรียงรายอยู่เบื้องหน้าตามลำดับพางก้มลงกราบนมัส ก, การผู้ทรงศีลอันวิสุดพร้อมกันทั้งหมดแม้กระทั่งมาเรียซึ่งบัตรนี้ก็พนมมือด้วยอาการอันเก้ะก๊กางๆจงจำเริญนสถาพรปราศจากพยันตราย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 ค้นหาคนสาบศูนย์ให้ได้มากที่สุดริมฝีปากคู่นั้นดูเหมือนจะเผยเยอให้เห็นรอยยิม้มดูก่อนนางผู้กรอบด้วยเบญจลักและไหวพริบอัญชันฉลาดแนวทางแห่งปัญญาที่เจ้าขอจากเราก็คือการเป็นผู้ละกิเลสทั้งปวงโดยสิ้นเชิง น, นั่นเอง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 ท่านหัวหน้าคณะก็ก้มลงกราบอีกครั้งโกนทัญญมุนีสงบนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งทุกสายตาเพ่งจับปฏที่ร่างนั้นเป็นเป้าหมายเดียวด้วยความกระวนกระวายใจไม่อาจจะคาดคะเนสิ่งใดไ ด, ได้ทั้งสิ้นแต่เท่าที่รู้ก็คือท่านหัวหน้าคณะเชิดถาวราริธ์ป้อนคำถามได้อย่างตรงเป้าและใช้วิธีสอบถามท่านอย่างชาญฉลาดที่สุด ไม่นานนักเสียงตอบของฤษีโกนทั ญ, ญะก็กังวานแช่มช้าเยืออเยินมาว่าประสบผู้เจริญแล้วด้วยปัญญาอันว่าปริศนาลายแทงที่เจ้าขอให้เราเฉลยนี่ไม่ได้พ้นไปจากระดับสติปัญญาของพวกเจ้าเลย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 ถ้างั้นก็ได้เวลาแล้วนี่เราก็กราบลาท่านเสดียนี้เถ อ, อะไปครับพลานใหญ่รับคำเป็นประโยคแรกทั้งหมดไม่เอ่ยคำใดอีกทั้งสิน้นต่างชนกันก้มลงกราบโกนทัญญะมุนีผู้มีร่างเป็นนิรันดร์การอันสนิทนิ่งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพรานถอยห่างออกมาทั้งขบวนพอพลระยะพอสมควรก็ลุกขึ้นรวมพลกันอีกครั้ง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 อากาศกำลังสดชื่นเป็นสุพรณิมิตรอันดีของการเดินทางคืบหน้าระพินสั่งให้พรานพื้นเมืองทุกคนอันทําหน้าที่เป็นลูกหาบเข้าประจำที่รอคอยอยู่นอกปากถ้ำส่วนตัวเขาเองคณะเจ้านายทั้งหมดรวมทั้งแง่สายผู้ซึ่งตั้งแต่แรกยืนคอยอยู่เบื้องนอกด้วยแต่เชิดาเรียกให้ตามเข้าไปด้วยรวมเป็น6กคนเดินเข้าไปพบวายาบนแท่นหินอีกครั้ง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 จะได้มีพยันตรายใดๆทั้งสิ้นสิ่งใดก็ตามที่เราท่านคิดประสงค์ตั้งเจตนาไว้ก็ขอให้สำเร็จทุกประการว่าจะให้นีลาและทหารลิงจำนวนหนึ่งไปส่งท่านจนพ้นเขตแดนของภูเขานิลการและต่อจากนั้นก็ขอยพวกท่านบายหน้ากันไปเองตามต้องการเถิด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 และพร้อมที่จะรับใช้เหล่าท่านได้เต็มแรงเต็มกำลังดารินยิ้มให้พร้อมกับพยักหน้าส่วนมาเรียนนั้นเมื่อจอมวานอนเอื้อมมือมาจับแขนหล่อนก็ส่งมือให้จับสั่งเบาๆบอกว่าแฟ e ว l วายาวายากุมมือของแมมสาวว้ยในอุ้ง ม, มือทั้งสองพงกศรีสะก้มต่ำลงเหมือนจะคาระวะรับคำอำลานั้น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 ส่งเสียงดังลั่นไปทั้งลานระคนไปกระเสียงขู่โครกคราดของไอ้ธโมนดำพวกนั้นซึ่งแล พ, พลุกพลาด น, นวเนียไปหมดระพินและคณะนหนจ้างต่างพากันวิ่งพรวดพราดออกมาเร็ ว, รวแต่พอมองเห็นภาพหน้าปากทำได้ถนัดตาก็พอจะเข้าใจสถานการณ์ได้ด้วยความขบขันพรานพื้นเมืองทุกคนกำลังเข้าประจำที่เพื่อเตรียมหาบหามสัมภาระที่จัดไว้เรียบร้อย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 โดยการปล่อยให้มันชิงหีบห่อสัมภาระไปแบกหามตัวละห่อสองหอ่อจะมีก็แต่บุญคําคนเดียวเท่านั้นที่ยังชักเย่ออยู่ก็ไอ้นีลาโดยแกถือยึดไม้คานหับไว้ด้านหนึ่งเจ้าทหารเอกมือขีดขินก็ยึดไว้อีกด้านหนึ่งดึงกันไปดึงกันมาอยู่เช่นนั้นปากของตาเท่าก็ดาเอ็ดอึงก่นโคตไอ้นีลาส่วนไอ้จอมธรมลก็แย่เขี้ยวยิงฟันหลอก วิ่งหมุนเป็นวงกลมดึงไม้คานพาตาเท่าต้องวิ่งวนหมุนจีตามแรงเวียงด้วยพลังมหาศาลของมันไปด้วยเหมือนจะแกล้งยั่วตาเท่าเล่นเพราะถ้ามันจะฉุดกระชากจริงจริงมนุษย์ร่างกระจจอยร้อยอย่างบุญคำก็คงจะปลิวกระเด็นไปหลายวาแล้วดูเป็นที่ชุนลมุนโกลาหลุนยิง่งบุญคาพยายามจะยกเท้าขึ้นไล่เตะมันแต่ก็เตะไม่ถึง เพราะถูกเวียงหมุนไตวอยู่เช่นนั้นเกิดจันเซย ส, สังปาและขยินกำลังยืนหัวเราะกันสนานวันไหวอะไรกั น, นะบุญคำเช่อถาตะโกนถามออกไปบุญคำปล่อยไม้คานหลงแผลลงนั่งหอบสี่โครงบานยอมปล่อยให้นีลาฉวยหาบนั้นไปยึดครองไว้พร้อมทั้งกระโดดโลดเต้นส่งเสียงขู่ตะคอกหลอกหลอนอยู่ เกิดกับจันวิ่งเข้าไปประคองปีกตาเท้าคนละด้านพยุงให้ลุกขึ้นพลางหัวร อ, องอหายคณะเจ้นานายทุกคนและพรานใหญ่ก็ก้าวเข้ามาถึงตัวแก่พอดีก็ไอ้ดำชิบหายพวกนี้นะสินายแกชื่อมือบอกหอบหอบแทบไม่เป็นคำพูดกิริยาอึดอัดเต็มไปด้วยอาการแค้นเคืองมันเข้ามาปล้นข้าวของของเราอา่ะนาย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 มันไม่ได้มาขโมยหรือปล้นสัมภาระของเราไปทําไมหรอกนายใหญ่ของมันน่ะสั่งให้พวกมันมาช่วยแบกของทั้งหมดไปส่งเราจนพ้นเขตเมืองนี้มันมาช่วยขนของให้ไม่ต้องลําบากแบกไปเองยังไม่ดีอีกเหรอไปโง่แย่งกับมันอยู่ทําไมก็ทํามันจะขโมยหรือปล้นเราอะโอ้ยป่านนี้มันขบบุญคำคำงมองเหลวไปแล้วไม่มาชักเย่ออยู่ยงี้หรอกเวยจริงๆแต่นี่ บุญคำกับพริบตาปริบ ป, ปริบมองหน้าพรา์ใหญ่แล้วหันไปจ้องไอน้นลาซึ่งบัด น, นี้กำลังยกคอสัมภระมีน้ำหนักซึ่งตามปกติจะต้องใช้คนหาบถึงสองคนขึ้นแบกบนบ่าอย่างสบายใจเฉบราวกับแบกถุงนุ่นอะไรกันนายไอโจอพวกนี้เหนือจะช่วยแบกของไปให้บุญคำดารินพูดพลางหัวรบพลาง เป็นการช่วยแก้ความโง่ของบุญเป็นการช่วยแก้ความโง่ของบุญคำมาให้ว่าชายบุญคำว่ายาสั่งให้ลูกน้องของเขามาช่วยแบกของไปส่งเราจนพ้นเขตไงพวกนี้มีเจตนาที่ดีต่อเรานะไม่น่าจะไปเข้าใจผิดเลยที่แรกได้ยินเสียงแอะโอยวายตกใจททบแย่นึกว่าเกิดอะไรขึ้นที่แท้ก็แย่งของกันลิงนี่ ปแพานเท่าทำหน้างงยกมือเกาหัวอันมีผมหยิกติดหนังสีสษะของแกอยู่แกรกแกกแล้วยิ้มไม่สนิทนักบุญคมในคอก็แล้วกันก็บุญคำไม่รู้นี่ว่ามันจะมาช่วยแบกของให้ไม่เห็นมันบอกอะไรอยู่ม่อยู่ก็ตรงก็มายือ้อยุดฉุดกระชากไปดืด้อ<ๆ>ก็รูกว่ามันจะมาไต่ชิงวิ่งราวอย่าีและแกก็หันไปชี้หน้าไอ้นีลา ซึ่งพอสบตากแกมันก็เริดหน้าทำปากยื่นให้ซอยริมฝีปากยิบยบเหมือนจะด่าตอบระษาลิงเออดีละมึงไอ้หอยมึงแบกของแทนกูไปดีใช่นะอยา้ตกหล่นเสียหายไปรล้ขาดไม่งั้นพ่อจะกระเืบไปร้องเจีย๊ยบทีเดียวพูดภาษาคนก็ไม่เป็นดีแต่ร้องครอกครอกรอกูจะไปฟังมึงรู้เรื่องได้ไงวะนี่ลาหมุนตัวหันหลังให้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 อยู่ในลำคอรบรรยากาศเต็มไปได้วยความคลื้นเครง่งบุญคำนั้นดายังไม่หายแค้นจัดแกงวิ่งตือเข้าไปหมายจะถีบมันให้เต็มรักแต่นีลาก็ยอดนักเลียงเมืองลิงเหมือนกันไม่ยอมให้ใครมาลบเหลี่ยมรูปคมได้ไง่ายๆพอตาเท่าเล่นปราดเข้ามาใกล้มันก็หันขวับมาไปเชิญหน้าอย่างเตรียมพร้อมที่จะรับมือทั้งๆ ท, ที่ยังแบกของอยู่ทำเอาตาเท่าผู้อวดเก่งต้องชงงะงักกึก ขบเกี้ยวเขี้ยวควันกล่าวอาคาดไว้ฝากไว้ก่อนเถอะมึงไม่ถึงที่กูบ้างก็แล้วไปงองแงไม่เข้าเรื่องตาเท่านี่ลาช่วยแบกของก็น่ะดีเท่าไหร่แล้วมาเรียร้องบอกมาอย่างรำคาญใจบุญคําหันมาค้อนอุบอิบออกมาเป็นภาษาไทยนี่นี่นี่อย่าพูดมากเลยลูกวะแหม่มก็ดีประเดี๋ดยวพัทิงอยู่มีเป็นเมียลิงอยู่ที่นี่เลยพับพาดิ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 มันตัวเดียวหิ้วไปได้อย่างสบายมีหน้าล่ะถึงไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยพี่ใหญ่คะนึกไม่ถึงนะคะว่าในที่สุดพวกมันจะกลายเป็นมิตรที่น่ารักของเราไปได้น้องสาวบอกมาด้วยน้าเสียงชื่นชมนี่ถ้ามันช่วยแบกไปจนถึงหนินพระจันทร์เราจะสะดวกสบายกันอีกมากทีเดียวแล้วก็น่าจะเป็นไปได้ง่ายๆด้วย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 เธอเองก็ไม่ได้มีภาระแบกหามอะไรเลยพวกพรานของระพินดิที่เขาแบกหามอยู่ยังไม่เห็นบุญสักคำจริงด้วยสินายทหารอย่าไปไว้ใจไอ้ลิงพวกนี้นักนะโดยเฉพาะไอ้นีลานั่นแหละตัวดีบุญคำเดินอยู่ใกล้ๆได้ยินข่าวก็สอดแทรกเข้ามาถ้าว่ายาคุมมาด้วยก็ไม่เป็นไรหรอกขืนปล่อยให ไอ้นีลาเป็นหัวโจกคุมมาตามลำพังแบบนี้และจะว่าบุญํำไม่เตือนว่าแล้วแกก็หัวเราะฮือๆชยันสะดุ้งใจในน้ำในคำพูดของตาเท่าเจ้าความคิดจะ ป, ประดนินและพอเห็นจริงด้วยเลยไม่กล่าวอะไรในเรื่องนี้เชื่อถาสาวเท้าเข้าไปใกล้พรานใหญ่ถามว่า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 ท่ามกลางความยากไร้กลางป่าอย่างนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากหรอกไหนแมมแค่พูดได้หวานหวานหูุแก่หน่อยเดียวเท่านั้นนี่อะไรเอาแต่ดา่าดาดาเท่าลามกบ้างละเท่าโสโครกบ้างละโอ้แต่เท่าน่ารักคืนนี้จะนัวได้ฉันอีกไหมบุญคำยิ้มออกได้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 ผู้มองตามบั้นท้ายไปอย่างคลืมอกครึ้มใจถูกตามทันโดยเกิดจันเสยและส่างปากับขยินไงกะหลีกะหลออะไรกะนายแหม่มกะเท่าละมกขยินผู้ฟังภาษาพม่ากออกเอ่ยถามโผล่ขึ้นมาหน้าตาเฉยเพราะดูเหมือนจะได้ยินคำพูดของทั้งสองแว่แวๆตอนเร่งฝีเท้าเข้ามาร้ายบุญคำหันไปทำตาเขียว โธไอสังขโรุขยินประเดี๋ยวก็ถีบไปอย่างขยินเสแยให่ยิ้มอย่างรู้ทันได้ยินนัดแว่แววว่าจะนัดนวดกันไว้เหรอฮะจันเกิดเสยอุทานขึ้นมาพร้อมกันลืมตาโพลงแล้วพากันหัวเราะ ก, กากระวังนะลุงคำแล้วจะว่าไม่เตือนประเดี๋ยวแม่ก็เอาเส้นไป น, น้อยๆอันหน้าเอ็นดู ย่อปังก็ให้หกคำเมนเคเก้ออกมาอีกหรอกนี่ไอเรื่องบี บ, บ, บนวดนวดนี่ยังไม่เข็ดอีกแล้วโถวไอชิปหายพวกนี้นี่เดี๋ยววัาเต่กลาดเลยไปเชื่อไอเปรตข ย, ยินแม่ไม่ได้บอกให้ข้านวดสักหน่อยเว้ยบุญคำสมบดอุบแล้วเดินหนีจากเจ้าพวกปากเปาะเหล่านั้นไปซะไอพวกรู้ทันปากขันทั้งนั้น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 ในลําคอตามธรรมเนียมของมันเหมือนจะพูดอะไรด้วยเอาละครับเขาหันมาบอกกับคณะนายจ้างทุกคนเบาๆมันส่งเราแค่นี้ล่ะครับต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราเองแล้วละ่ะเชิดฐาพยักหน้ายิ้มพรายขณะที่มองดูนีลาและบริวารชะกันของมันเหล่านั้นด้วยสายตาอันรักสนิทประหนึ่งมันเป็นมนุษย์ชาติเช่นเดียวกันกับเขา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 แต่ต้องไปถูกเนื้อตัวของทุกคนใครจะกล่าวคำอำลาอย่างอะไรเช่นกันมันจับจับคลำคลที่มือของเชษฐาและดารินอย่างแผ่วเบามีอาการยำเกรงคาระวะอยู่ในทีแล้วก็ขยับเข้ามาเอามือจับตามสีสษะอันประดับไปได้วยเส้นผมสีทองของมาเรียกับแก้มคางจมูกเหมือนจะให้ความพิศวงสนใจเป็นพิเศษเพอหันไปทางชา ย, ยันมันก็ชะงัก มีอาการรีรี ร, รอรออยู่ไม่กล้าจะเข้าไปใกล้ช้ยยันหัวเราะออกมากว้างๆส่งมือมาให้พร้อมกับพยักหน้าไอ้เพื่อนยากนีลาจะไม่ได้เป็นศัตรูกับแกรอกแล้วก็แท้จริงแล้วก็ไม่ได้เกลียดชังแกรอกฉันเชื่อว่าฉันคงคิดถึงแกไปอีกนานทีเดียวในการจากกันครั้งนี้มาเรี๋มาจับมือกันนีลาเปิดริมฝีปากบน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 เพื่อจะปกป้องตัวเองหรือคนอื่นก็ยังไม่อยู่ในขั้นไว้วางใจได้มากนักส่วนอีกคนหนึ่งจะให้เป็นแงซทรายซึ่งจัดว่าเป็นไรเฟิลแมนคนหนึ่งก็ย่อมจะไม่ถูกต้องเชิดถาให้ก็คิดแก่เขาไว้ถูกต้องแล้วถ้ายินกับจันทร์ใช้ปืนลูกซองคนละกระบอกก็เป็นปืนที่ไม่อยู่ในข่ายพิจารณาให้แงซทรายถือราะรัศมีในการควบคุมสถานการณ์จํากัดไป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 พร้อมกับปลดมัลลิค์สาทับออกจากไหลนั่นย่อมเป็นความหมายบอกให้คณะนายจ้างของเขาทราบแล้วว่าเสยมืออ่อนที่สุดเ้าลูกศิษย์พรานรุ่นหนุ่มของเขาก็ไม่ได้แสดงอาการหวงแหนปืนอย่างใดทั้งสิน้นรงข้ามกลับยิ้มแป้นไปซะอีกในข้อที่ว่าต่อไปนี้มันมีหน้าที่แบกหามอย่างเดียวได้อย่างเบาไหลเกิดเรื่องอะไรก็วิ่งแอบต้นไม้ดีกว่า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 เสรยก็ล่วงย่ามหลังส่งกระสุนที่มีอยู่ทั้งหมดไปให้ด้วยอย่างรู้กันดีอยู่แล้วระพินถือปืนกระบอกนั้นเดินเข้าไปหยุดตรงหน้าเงยสายและโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเขายนปืนกับกระสุนให้เงียบเียบเงยสายรับไว้พร้อมกับกระสิบนี่ผู้กองนี่จะไม่ยอมให้ผมมีความสบายในฐานะลูกหาบบ้างเช่เหรอ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 แง่ทรายทำไมไม่บอกแค้เขาทดลองยิงให้ดูอ่ะไอ้วิธีสองปากกระบอกให้ตรงลูกตาแล้วเหนียวไกลที่เขาบอกนั่นแหละหล่นค้อนขวับตามหลังแล้วหันมาทางแง่ท า, ายสอนว่าเรานี่ก็ตัวดีแท้นะสอนไม่รู้จักจำไปทำอะไรให้เขาถึงได้กลายเป็นไฟขึ้นมาอีกอะ่ะมานี่จะบอกให้ปืนสองไกลทุกชนิดเนะี่ยไกลหลัง